بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف ا ل م ُ س ل ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصالة لله و د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس هذا كان عندي بوتين إ ي ى 21 ن ل ى 21 في م ج م ع ة لا ในส่วนอยูนอสที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานาอฺได้ถ่ า, ทายทอข้อมูลที่บรรดามุชริกีนยเขายอมรับกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งได้เล่าประวัติของอาหรับโดยเฉพาะชาวมักกะซึ่งการตั้งภาคีของพวกเขาเนี่ย ไม่ดีอรรู้ว่าเขาปฏิเสิทธิ์องค์พระเจ้าด้ยเนื้อหาของความเชื่อความศรัทธาของเขานิยอมรับเนื้อหล่ะในฐานะที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีผู้ให้ปัจจัยยังชีพเป็นผู้ช่วยเหลือในยามรับขันเขายอมรับกันในเรื่องนี้ไม่มีใครปฏิเสธองคลพระก็ได้เอาส่วนที่เขายอมรับเนี่ย มาท้าทายว่าถ้าพวกเขาได้มีสติปัญญาในการให้เหตุผลได้ว่าการที่เชื่อในพระเจ้าในพระผู้สร้างให้เหตุผลว่าชะไหนจะต้องมีพระเจ้าอื่นจกพระองค์ที่ต้องเคารพสักการะ ในเมื med, ha, ka, ha, uh, uh, ه, ่อชีวิตของเราผู้พันก ja ับพระเจ้านี้การกำเนิดของเราก็เพราะพระเจ้านี้การคงชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยประเทีนชีพต่างๆงก็ได้อนุมัติของพระเจ้าองค์นี้จึงไม่มีเหตุผลเลยที่จะเอาการสักการะการเคารพการหวาดกลัวความเยำเกรงไปมอบให้พระเจ้าจอมปลอม ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวแม้แต่ น, อน้อยเราจึงบอกว่าผู้ที่ให้ปัจเจยังชี้บริสกีทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ที่ให้พวกเจ้าได้ยนินให้พวกเจ้าได้เห็นมองเห็นผู้ที่ให้มีชีวิตออกจากความตายให้มีความตายภายหลังจากที่มีชีวิตผู้ที่ได้บริหารกิจาการทั้งหลาย ในโลกนี้มีใครอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาก็จะยอมรับเซปุลูนอัลลอฮ์ประคุกและเลเลตต์กุการยอมรับในอัลลอฮ์นี้ก็คือศัจธรรมหรือความจริงส่วนหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อของเขาที่มันมีความมดเท็จปนไปด้วยศัจธรรมนี้ไม่ได้ทําให้ความเท็จในมันกลายเป็นศัจธรรมเด็ดเลและนี่สมการเสมอตัว ว่าความถูกต้องถ้ามันเบกบนกับความไม่ถูกต้องมันจะไม่ทําให้ความความถูกต้องที่อยู่ในความผิดเนี่ยให้ความผิดนี่มันถูกไปด้วยความเชื่อของมุสลิกเนมีนะเชื่อว่ามีอัลลอฮ์นะยอมรับในอัลลอฮ์นะบางทีก็ดูอาต่ออัลลอฮ์นะแต่ความสถัทธานี่มันไม่พอไม่เพียงพอที่จะสามารถเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยอมจำนน ผู um galaxies, user, ้ที่มอบชีวิตทั้งหมดทั้งปวงเพื่ออัลลอฮ์สุฮาบิโนอันลอฮแสดงความขัดแย้งระหว่างท่านนบีสุลลัลลอฮ์กอัลลฮะสัลลัมเรืบนดาลุชรีกีเมันอยู่ในจุดนี้ไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวเขายอมรับในอัลลอฮ์ยอมรับในอัลล์นี่อย่างเดียวนี่ไม่มีประโยชน์หากผลลั ของการีอมรับเนี่ยอัลลอฮ์นี่มันไม่ปรากฏผลรันี้ก็คืออะไรคือต้องมอบการสักการะทั้งหมดเนี่ยอิบารัดทั้งหมดนี้อัลลอฮ์อุลามาเนี่บอกว่าแท้จริงในการให้เอกภาพแดอัลลอฮ์เนี่ยนี่คือแก่นแท้ของมันการเชื่อว่าอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเป็นผู้สร้างโลกนี้มันก็เป็นตทวะฮีนในก็คือเทวะฮีดรูบูบียะ ตลมานีบอกว่าตัวอหิบุรุษยานีไม่เพียงพอเพราะมุสลิีนี่ไงเขาก็เชื่อว่าใครสร้างโลกนี้เขาไม่ได้บอกว่าออัลลาะ์อัลลอฮคือบรรดาจวิดเป็นอื่นนี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างฉันฟ้าและแผ่นดินในการมอบบริสกินเป้าเขายอมรับว่าผู้ให้สิ่งเหล่านี้นี่คืออัลลอฮ์เดียวอัลลอฮ์ผู้เดียวแสดงว่าเขายอมรับในเตัวอหิบุรุษยานี การมีพระผู้สร้างผู้เดียวการมีผู้บริหารโลกจากกวานีผู้เดียวอไม่ยุติบิรุณอัลลอฮ์ผู้ให้ริสกีมีผู้เดียวคืกอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มตอให้รุบูบีทำไมมุสลิมยันสมัยนบีเรกโอเรากเชเราก็เป็นมุสลิมแล้วนี่นบีจะอาะไรเอาอะไรอีกล่ะ นี่ในความขัดแย้งไม่พอที่วก็ไม่พอจนกว่าจะ ต, ต้องปฏิเสธพระเจ้าจอำป้อมอื่นหมดเลยและอิลาห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอลิลลัลลอฮต้องปฏิเสธอย่างอื่นหมดเลยและการมอบสักการะทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องต้องเอาคืนมาหมดเนี่ยที่ไปกราบไหว้สวดอยู่ใบนบรรดาจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเอาคืนมาหมดเลยนี่มามอบให้อัลละฮ์เพียงผู้เดียว แต่ให้บุญอุดุฮีนี่คือประเด็นและนี่คือแก่นแท้ของคำว่าละอิละฮะอิลลัลลอฮแก่นแท้ของอิสลามแก่นแท้ของการที่จะเชื่อในศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และตุสุรุนนี้ซึ่งเรื่องนี้เราเอามาเปรียบเทียบในประเด็นอื่นของความศรัทธาหลักศรัทธาในอิสลามของเราเช่น ศรัทธาในคุตตานศรัทธาไหมศรัทธานในคุอตานเชื่อในกุตตานเชื่อในคุตตาน آن, ว่าเป็นว่าเป็นอะไรเป็นพนราํ า, ามมของเาะ็อะไรมนเนาะใครจะมาเอาเรื่องกับกุตตานน่ะใคร آن, จะมาเผาคุตตานนะโอ้โหทั่วโลกนี้ประท้วงก آن, oh ันโอ้โห เอาใครมาเข้าใครมาแตะกุฎอานนะลองวางกุฎอนะันวางบนพื้นนะี่แล้วก็มีคนเดินมามาเหยียบกุฎอานะโดนกระนะทืบเลยทงไเหยียบุเหยียบกุฎอานได้ไ ง, ไไงคนส่วนมากงเลยคุฎอานล่ลนตกล่นุอนตกลน่นทยังไงถาม ผิดไหยผิดอ้าไหมไม่ผิดอ้าไหมไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาทําได้ทําได้อันนี้มันชินประเด็นผมขอยกตัวอย่างในสิ่งที่คนเขายอมรับคือเชื่อในศรัทธาแล้วก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของคุอ่านจริงไหมจริงมันเร่มีดีมากเลย แต่กุอ่านถูกกระทำ ม, มากกว่านี้ทุกวี่วันทุกสถานที่มากกว่าการดูถูกหรือเผากุฎอ่านยังไง อ, ะอ่ะลองดูสิสมมติว่าเราเป็นเป็นคนที่จบสาขาวิชาชีพอย่างเป็นสมมติเป็นอิศวกะที่เรียนสาขาวิศวกรรมชนิดที่ประเทศนี้เนะี่ยไม่มีใครแล้วเนะม่มีเราคนเดียวนะ แล้วมีบริษัทใหญ่โตรับสมัครรับสมัครตำแหน่งเนี้ยต้องการวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเนี้ยคนไปสมัครไม่กี่คนแหละแต่เขารู้แล้ว่าคนที่จะชำนาญเรื่อง น, นี้เราคนเดียวน่ะเขารู้เชื่อมั่นนะว่าไม่มีใครสามารถทํางานนี้ได้นอกจากอาจารย์คนนี้แต่พอไปสมัครแล้วรับแล้วตำแหน่งนี้เขายอมรับแล้ว ให้เงินเดือนสูงด้วยเขาก็เตรียมไว้ให้ให้เราทำงานใน ห, ห้องอย่างดีเลยนะห้องนี้เป็นของคุณมีเฟร์นิเจอร์มีอะไรอย่างดีเลยแต่เขากำชับฝ่ายบริหารในบริษัทเขากาชับบอกว่าอวิศงค์คนนี้พนะพนัก ง, งานห้ามใครเข้าไปคุยห้ามใครเข้าไปปรึกษาห้ามไม่ให้อุปสวครคนนี้เนะี่ยยุ่งกับงานของบริษัท แม่แต่ชิ้นเดียวแต่วิศวกรคนนี้เนี่ยอยู่ในห้องรูหราเนอนะฟอร์นิเจอร์อนี่ชนิดโซฟาและแสนนะประมาณเนี้ถือว่าให้เกียรติเขาไหมาให้เกียร์แล้วถ้าแล้วถ้าวิศวกรคนนี้เนี่ยผ่านไปนต้องมีพรมแดงต้องมีแล้วใครไปแตะไม่ได้นะใครแตะเนี่ยโดนกระทืบเลยนะ ให้เกียรติครับแต่ถือว่าเราไม่ให้เกียรติเข้าในฐานะความรู้ที่เขามีและเป็นประโยชน์เราไม่ได้ใช่นี่คือสภาพคุรานในโลกมุสลิมเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของคุรานเชื่อคุรานเป็นกลามุลเนาะแต่ ไม่ยังไม่เชื่อเต็มที่ว่ากุณอ่านเนี่ยเป็นแนวทางแนวปฏิบัติเป็นธรรมนูญชีวิตอย่างเพราะในธนาคารกุณอ่านไม่อยู่ในศาลกุณอ่านก็ไม่อยู่ในหน่วยงานบริหารต่างๆนี่คุณอ่านไม่อยู่อะไรที่อยู่อ่ะกฎหมายมนุษย์พอร์บอยอยู่ระเบียบอยู่ออร์กอะไรตัวเนี้ย เ น, นี่ยปรากฏตัวในสังคมมนุษย์แต่คําพูดของพระเจ้านี่ไม่ปรากฏตัวมันก็เหมือนท่านแหละเชื่อว่าเราเป็นผู้บริหารเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอา้าวพระเจ้าแบบนี้เนี่ยควรควรที่จะเชื่อฟังถ้าพระเจ้า องค์นี <S <S ้บอกว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปนี่เขก็ต้องเชื่อฟังปรากฏว่าไม่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมืนไม่ได้เป็นเช่นนั้นในสมการนี้ในสมการนี้ว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์นี่เป็นผู้สร้างแต่ไม่มอบการสักการะให้อัลลอฮ์องเดียวนี่อันนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการศรัทธาที่ถูกต้อง الله جنبك لا أيننا ي ا ز عزب ص و ه فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفنا لا الله ر ج ت ا ي ن ك م ت س ن ل ع ن ا ل ح ق ي ق ا ن ل ا ل ح ا من ا ل ح ق ي ق لا نلّع ا ق ي ق ة ن ل ا ل ح ا من ا ل ح ق ي ق لا ن ن ا ل ح ق ا نلّع م ي ا ل ّ ع ن ا ل แม้จะบอกแต่ละข้ออิลลัลโดหลังจะความจริงว่าพระเจ้านี้เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีแสดงว่าพระเจ้าอื่นนี่น่ะบดนหลงผิดที่เราไป็นสการ่ามันนี่น่ยคือการหลงหลงประเด็นหลงผิดหลงพระเจ้าที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงแต่แม้จะบอกแต่ละข้ออิลลลดเลกลายเป็นวลีอาับจะใช้กัน เวามีความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายในประเด็นประเด็นหนึ่งมีสองความเห็นแต่พ่สูจนแล้วว่าความเห็นหนึ่งเนี่ยมันมันต้องถูกต้องแบบนี้เละอประเด็นหนึ่งมันไม่ใช่เลยเขาก็จะใช้วลีเนี่ยพม่าจะบ้าดลหักอินหลับหล a งจากความจริงในมีอะไรนอกจากกันหลงหมายถึงว่าถ้าไม่ยอมรับในความจริงที่มันสว่างสวัยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเรานี่หลง ฟะอันนาตุสุระฟูนแล้วทำไมเล่าพวกท่านจึงถูกให้หันเหออกไปอีกตุสระฟูหมายถึงว่ารู้แก่ใจว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้บริหารแต่ทําไมถึงหัวใจของพวกเจ้าเนี่ยหันออกจากความจริงนี้และไปสักการะพระเจ้าอุลตร์อัลลอฮฺสุฮาห์นะครับคำว่าหนง ความจริงที่ต้องตามนะคนที like ่ไม่ตามความจริงหลงถ้าดูในสำนวนของกุรานอุลามาส่วนมากนี่บอกว่าจะใช้คํานี้เนี่ยคาว่าหลงกับเรื่องความเชื่อเรื่องอารกิดะและไม่ใช่เรื่องอารกิดะทุกเรื่องอารกิดะที่เป็นหลักการใหญ่ๆ หลัการสำคัญประเด็นแรกเลยที่เป็นตัวอย่างที่องค์รัชทายาทและเรียกคนที่ความเชื่อของเขาเนี่ยผิดเพี้ยนเรียกเขาว่าบอลลีเนี่ยก็คือนโซโรเราอ่านกันในฟาษาถูกทางวันนี้เราดูวาอะไรวันบอลลีในเมนคอเมนเติรมิดีท่านนบีสุลต่านอัลลอฮ์สุลต่านได้บอกอธิบาย ซึ่งน้ยข้ดีที่ท่านนบีอธิบายุตรานนะแต่นี่เป็นคาพูดของท่านนบีที่อธิบายอายนี้อย่างตรงไปตรงมานบีบอกว่าอ l y a h u d u maghduubun i s <tweet me>. s a l ยหูดเป็นผู้ที่ถูกคริว พค่อรียมองตู้เบลันขอให้เราได้อยู่ในนวทางที่เที่ยงตรงของโรงนี่ใช่แนวทางของคนที่ถูกกลิ้วและคนที่หลงผิดนเบียก็เลยบอกว่าพวกผู้ที่ถูกกลิ้วนี้ก็คืออเลี่ยฮูดและพวกที่หลงล่ะอันนซาลาอันนซาราดุลเลลความหมายกูดอ่านภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ที่โรงพิมพ์กษัตริย์รหัสที่เมืองมาดีนะประเทศซาอุดิอาระเบียทุกฉบับ ที่พิมพ์มาเป็นสิบสิบสิบฉบับนะครับในฟ o o t n o t ของสุรัสอันแฟติฮาเนี่ก็จะที่บายด้วย h a d i t นี้ว่ายะฮูตี่ถูกคริวและนอซาร์ก็ที่ลงผิดตั้งแต่กษัตริย์อับดุลละกษัตริย์สุลเลมานที่ตีพิมพ์ใหม่เนี่ยเอาเรื่องของยะฮูแล้ะนอซารอนี้ตัดออกไป ประเด็นนี้ประเด็นเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นี่ไงคิ้ค่าคี้ค่ายิวผมก็เห็นด้วยแต่ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ทําไมอ่ะตัดไปดิตัดเยาหูนอสอรตัดไปดิเพอเนี้อหาของอายะเนี่ยมันก็ยังมีความประจักษ์ชัดว่ามีคนที่ถูกยิ้วแล้วก็มีคนที่หลง ปะเด็นหญของการตัดนซอร์หรืยาฮูตไปเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยไม่มีตัวอย่างให้เห็นว่าเอาแล้วก็คนอย่างคนที่หลงเนี่หลงยังไงอะนาบีเนี่ยกตัวอย่างคนที่หลงเนี่ยคือนซอร์นี่เพราะอะไรเวลาไม่ได้อธิบาย <c oughs> ว่าโนซอร์นี่หลงนซอรดุลล่นี่หลงเพราะ ถูกสั่งให้ทำอะไรอย่างนึง่งแต่ไปทำอีกอย่างหนึง่งชัดเจนก็คืออัลลอฮ์สั่งให้เขาสักการะอัลลอฮ์องเดียวแม้กระทั่งคำสั่งของท่านนบีอีสาก็ไม่มีคำสั่งใดๆ ใ, ใ, ให้สักการะให้สักการะอื่นจะพระแม้กระทั่งตัวท่านนบีอีสานะั้นไม่มีแม้กระทั่งไบเบิลที่ถูกบิดเบือนไปแล้วเนี่ยไม่มีคำสั่งชัด ทพระเยซูสั่งให้คริสเนศการะพระเยซูไม่มีซึ่งกุศลนีได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะเป็นการสนทนาระหว่างอัลล์กับท่านนบีอิสานในวันกียิุวัยานมะ أ ันท์คุณเตลิลน้คดอิลัยนีมินดุนอัลละก้าลัซุบฮานะกะนุันุนัม إن كنت قلت ه فقد ع ل م ت تعلم ما في نفسي ولا ع ل م ما في نفسك إنك أنت علام ا ل غ ي و ب إن كنت قلت ه فقد ع ل م ت تعلم ما في نفسي ولا ع ل م ما في نفسك الله تحمدني ت ح م د س ي ن ا و ا ن ق ي م ا جاو باء أي منظمة أي بوكونية ليس كره جاو لا مبدأه من ج و أو อันนัอีสระพร์แอนโซบอกว่าไม่จริงเลยไม่เป็นจริงเลยข้ามาเจ้าจะพูดอะไรได้ในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ใช้ให้ข้ามาเจ้าเทศนาหรือพูดจะพูดยังไงและแล้วและถ้าข้ามาเจ้าพูดเนี่ยพระองค์ท่านก็ต้องรู้ต้องรู้ว่าข้ามาเจ้าได้พูดไปแต่ข้ามาเจ้าไม่ได้พูดมาจากไหนล่ะ นี่แหละหลงนี่แหละครับหลงจะออกไปถนนรำคาแหงยังไงอะ่ะนี่บางออกจากประตูไว้เนี่ยตรงเลยนะตรงเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอยู่เทินถ้าจะไปรกําแหงไว้นี่จะไปหนองจอกก็ไปทางนี้เขาทํายังไงอะ่ะขอไปตรงแล้วก็อยู่เทินเข้ามาในซอย ซอยรอจไ้าสิบห้านี่ข้างซอยสอยไปแล้วก็ยูเทินอ้าทำไมหรือหมาอะไรรำกำแพงอยู่ไหนอ๋อหลงหลงเขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยยูเทินไม่ใช่ไปตรงแล้วก็ยูเทินเลยนี่แสดงว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดหรือหลงคำพูดเนี่ยไม่ได้ปฏิบาาัติกาคำพูดเลยหลง ตัวอย่างของคหนหลงอับ ด, ดุลลีเนี่ยมันสามารถทาให้เราได้เห็นว่าถ้ามีใครถ้ามีใครไม่ปฏิบัติหรือหลงผิดในการรับฟังและเข้าใจคำสั่งขององค์สุภณะนวรานีไงตัวอย่างแบบนี้แล้ววนนี้เป็นตัวอย่างสำคัญในกุรานซึ่งเราเราต้องศึกษาในะคุรานในเูื่งเรื่องหลงผิดเยอะนะ แต่ใครอประเภทไหนอะที่เขาเคยหลงกันนี่อันเาเรียกเลยนเะจาะจงเลยนะอันนอรซาร์ดดินแ ล, ลน์หลงไม่เคยพูดถึงคนที่ทำบาปจะเล็กใจะใหญ่เนี่ยว่าหลงอืมยัเช่นคนที่ทำบาปใหญ่บางชนิดเช่นใส่ร้ายคนอื่นว่าทำซีนาหรือทำซินาหรือดื่มเหล้าก็มักจะมีการ ประนามเช่นเป็นฟาซีกินก็เป็นเป็นฟาซกเนี่ยเป็นไปได้แต่ไม่เคยมีปรากฏว่าคนที่ทําบาปใหญ่เนี่ยเป็นบอลลีนไม่มีถูกเปรียบเทียบบอกว่าคนที่ทําบาปไม่ได้บรู้ว่าบาปและทํานี่นะถูกเปรียบเทียบกับยิวมากกว่าว่าถูกกิ้วคนที่ทําบาปอันลมาได้ผมก็คนที่ทําบาป ด้าปฏิบัติเนี่ยมีข้อเปรียบเทียบกับยิวมากกว่าถูกกลิ้วเพราะยาฮูดเนี่ยเขารู้ว่าจะทำเรื่องะไรแต่ไม่ปฏิบัติตามไดโนเสาร์นี่หลงไปเลยบิดเบือนไปเลยอุลามาก็ในได้ข้อสรุปส่วนมากนะได้ข้อสรุปว่าการหลงผิดเนี่ยดาลานเนี่ยจะไดกว่าใครเนี่ย ลงผิดเด็กว่าใครนี่บอลบอลไอ้คนนี้บอนพวกบอลลละพวกบลล่านเรียกว่าสาหรับคนที่ผิดเพีย้ยนเรื่องความเชื่อขนาดใหญ่แต่คนนี้ทําความผิดหรือบิดเบือนเรื่องเล็กเรื่องเล็กนี่ก็คือไม่ใช่เรื่องหนกอีได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องล็ก แม้แต่คนที่ทำบิดาบิดาท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยซูละมรีย์เรียกเลยรวะคุณลูบิดาตินโดน่าละคุณลูบิดาตินดนละทุกทุกบิดาบิดาแปลว่าอะไรอุดริกันของที่ไม่มีในศาสนาบิดานั่นเรียกว่าทุกทุกบิดาเป็นดะเป็นการหลงผิด ว่ากุลด้านอะไรฟนาร์และวทุกทุการหลงผิดเนี่ยกุลด้านอะไนารนรกสมัยกันนี่ถูกต้องทุกอุตริกรรมเป็นตัวละหลงผิดทําไม่พ่อพี่น้องอันนี้ก็คือทําสิ่งที่ไม่มีในอิสลามทําสิ่งที่ไม่มีในอิสลามเช่นเดียวกันถ้าใครมีฟ้าฝืนคําสั่งของดืมเล่าอย่างเนี้ย ก็ได้ได้ทำในสิ่งที่อัลล์ห้ามทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแต่นี่จะว่ามันไม่ใช่เรื่องของศาสนาจริงไม่เรียกว่าเป็นบิดาแต่มันเป็นเรื่องบาปดื่มเหล้านี่บาปดื่มเหล้านี่บาปแต่จะไม่เรียกว่าคนที่ดื่มเหล้านี่ยดนอะไํลบิดานีก็เป็นเรื่องบาป บิดาณีบาปนะไม่ใช่มากรันะทำบิดานีบาปแต่นิ่งจะว่าบิดานี่มันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาจึงสามารถเรียกการทำสิ่งที่ไม่มีในศาสนานี้ว่าเป็นตอลละเป็นการหลงผิดตัวบิดาตัวอุตริกรรมที่ทำเนี่ยเป็นการหลงผิดแต่น บ, บีไม่ได้บอกว่าคนที่ทำบิดาเนี่ยหลงผิด กุลมุกกะเดินดอลแล้วเราเรื่องไงอ่ะว่นบีไม่เรียกนบีแค่ไม่ได้พูดใช่เพราะนบีไม่พูดบรรดาอุลามาโดยเฉพาะชาวสลักเนี่ยก็มีคนที่ทําบิดาสมัยซาบะแล้วคนที่ทําบิดาสมัยสลักที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอากด้านหลักๆใหญ่อ เขาก็ไม่เรียกว่าคนนี้บอลเป็นคนหลงผิดไปเลยนี่ไหมเช่นการตีความการตีความโมดิซัตอภินิหารในกุรานเนี่ยตีความเป็นบิดาเป็นอุตริกรรมสาระีม่มีแมท้ที่ตีความมีสาระที่ตีความโมดิซัตอภินิหาร เช่นมุญา ه ิดนี่สลักเลยนะสลักแน่นอลุกสิริบนาบัสเคยตีความฟักุลเนลหุมกูหนุ่มที่รอเดกันคอซีอินทีชาวยิเนี่ยได้ละเมิดสัปโตละเมิดวนเสารที่เอาละห้าไม่ทำงานเป็นชาวประมงเราก็เลยแช่งให้กลุ่มเนี่ยกลุ่มยิวเนี่ยได้เป็นลิงกูหนุ่มที่รอเดตันให้เป็นลิงเลยคอซีอิน อุลามทั้งหมดในเนี่ยบอกว่าถูกแช่งเป็นลิงถูกแช่งเป็นลิงแช่งเป็นอภินิหารในการลงโทษของอัลลอฮฺสุลต่านแล้วเป็นเหตุผลที่ยูลนีได้ฉายาฉายาที่ถูกต้องนี่นะอิควานัลกีระตีวลขนาซรไอ้วยูนี่น้องลิงบางคนเนี่ยไปเรียกฉายาผิดลูกหลางลิงไม่ใช่ ลิงที่ยิวที่ถูกแช่เป็นลิงเนี่ยไม่มีไม่มีทายาทคือเป็นแล้วและตายไปเลยแต่ในฐานาที่ยิวที่บิดเบือนและฝ่าืนอัลล์นี่ก็จะเหมือนพี่น้องอุย่าตายเขาที่เคยเป็นลิงเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิวนลกิรดามุจฮิดอบุจบสลัเนี่ยนลุกซนอับบาสแบอนเลยนะ มีความบอกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลิงจริงแค่แค่ถูกถูกแช่งอะแต่ไม่ได้เป็นลิงจริงไม่มีซาลาฟคนไหนบอกว่าโอ้ดอลลองไปแล้วมุจาอิดเนี่ยไม่มีใครนะมุจ่าอิดเนี่ยเป็นอิมามในไอหมัติตัฟซีรเป็นเป็นแกนนําของอุัสซีร์เลยนะไม่มีใครแต่เป็นความผิดความผิด อาต้อยเนี่ยดีระบะตาวุสเซลับหลายคนมีการตีความสีฟ้าของอัล l a h แต่เขาไม่ได้ตีความสีฟ้าทั้งหมดเลยอย่างเช่นคนในลักษณะสีฟ้าอัลกุญบความแปลกใจการที่อัลลอฮ์แปลกใจถูกรบุทั้งในกุรันและฮะดีสุนนะบีซัลลัลลอฮ์วะเลส ในครอานเช่นเช่นในื้อสุรัสสัฟเตบะลอาจิบตไว้ารอกรมบบลอจิบตุไารไม่ใช่เลยข่าแปลกใจว่าทำไมเขาทำแบบนั้ น, นเอาเราพูดเอาเราแปลกใจไงไม่แปลกใจเหมือนมนุษย์มนุษย์เนี่แปลกใจเนีน่ยเนี่งจากว่าข้อมูลสับสนเราจึงแปลกใจไง แต่สำหรับอัลลอฮ์นี่เราจะไม่เชื่อว่าพระองค์แปลกใจเพราะเหมือนเราแต่กใจนทุกคุณในลักษณะที่อัลลอฮ์พูดถึงพระองค์เนี่เราจะเชื่อแต่จะไม่เปรียบเทียบกับลักษณะของเราแต่มีซารักท่านหนึน่งบอกว่าไม่เราไม่แปลกใจปฏิเสธคุณลักษณะนี้ถึงไปไม่ได้เราไม่แปลกใจเอ็มดูไตรเมียไปวิจารณ์เรื่องนี้กมันก็จริง สารับท่านหนึ่งเป็นตับเอินด้วยนะปฏิเสธซิบาต์ของอัลลอฮฺอย่างนั่นปฏิเสธสิบารของอัลลอฮฺอย่างนั่นแต่ไม่มีใครบอกว่าสารับคนนี้เนี่ยหลงทั้งนั้นในเรื่องการปฏิเสธสิฟาตหรือี์ของอัลลอฮฺนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สารับนี่เขาเขาเขาเขาประนามอย่างแรงแสดงว่าไม่ชีทุกเรื่องที่เราจะประนามว่าเขาเป็นคนหลงเป็นบอล งหดเนี้ยที่เล่ามาเนี่ยทำไมา่ะพอเดี๋วนี้ยศแห่งบอลลาร์เนี่ยยศเป็นยศลจกกันมาในรนาเลยไอ้นี่ก็หลงไอ้นี่ก็หลงนู้นก็หลงแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวหาคนเดียวที่หลงนะโอ้โหกล่าวหากล่าวหากันทแวีบเลย ยกเทวีบหลงเนหลงคนเดียวนี่ก็ยังพอคุยกันลเลยหลงก็อะไรพอส่วน่ยฮัสซิบันนะ่ะหลงขอรรดาเวีนี่หลงยังพอคุยเอามาคุยกันได้ไออข่วาวมุสลิมินั่หลงหลงมันนั่งกลุ่มเลยกลุ่มที่ไม่ต้องตาชั้นเนี่ยที่ไม่อยู่กับหลงหมดเลยพวกนี้เนอยไอกลุ่มที่ไม่เชื่อคำพูดน้ำหนึดนี่นหลง ไอ้กลุ่มกบผู้นนี่ลแต่นีสมมติฐานกบผู้นเหมือนเนี่ยเหมือนจะกบหรือกบฏอบูบัคข์กบสาบานแต่ที่เขาจะกบฏกันตอนนี้เนี่ยบุเรงนั้นนั้นเลอะนั้นนั้นนี่ยผู้นำหมาย่หน้ากบฏน่นะรือวาจะไม่กบฏผู้นำเนี่ยเพราะสลักเไม่เคยใช่บกกบฏสลจะกบฏผู้นได้ไงผู้นอย่าง ยังอบูบักกันใจะไปกระบุตล่ะกระบุตรไม่ได้แต่มันจะอย่างทามิเงเงี้ยกระบุตรไเหมือนท้องเสียเลยนะไอคนที่แจกยศหลวงแจกยังกระท้องเสียเลยบาน่าบลนาบนามันรวนไปหมดเลยส่งผลให้มาตรฐานของการใช ชายเนี่ยฉายาเบลล่าเนี่ยคืคนที่หลงเนี่ยไม่เป็นวิชาการส่งผลให้คนนี่ใช้คานี้นี่นะใครก็ได้แม้กระทั่งคนที่มีความรู้แม้กระทั่งอาคนทั่วไปเขาเนียนักเลงคีย์บอร์ดใช้กันใช้กันเพียบเลยง่ายเหลือเกิน บานอาจจะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเยอะนะโอโ้แต่ถ้าถ้าถ้ากลุ่มอาหรับที่เขาใช้คํานี้นะเน่ะบอลเหน็บดุลแล้วบอลรุ่นอะไรเงี้นะโอ้โหใครที่พูดอะไรนี่ไม่ตรงใจไม่ตรงที่เขาได้ยินจากอาจารย์หของเขานี่ยนะคอมเมนต์แรกเลยบอกดนแล้วกลุ่มหลงก็กลุ่มนี้ไม่ตรงแตะนะ่เจแล้ามันหลงอยู่แล้วต้องระวัง คือในเรื่องบางเรื่องนี้เอาอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ผมเตรียมไว้ในเรื่องบางเรื่องนี้ที่อาจจะไ ม, ม่มีความขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งอย่างเช่นการฟังเพลงและดนตรีหรือเพลงที่มีดนตรีสมัยสร ะ, ะมีแทบไม่มีความขัดแย้ง แท้ไม่มีความอ่อนแงฉะนั้นคนนีออกฝรั่งตัวหรือพูดวา่าเอ้ ย, เ ร, อ เ, ยเรื่องนี้ทําได้เลยฟังดนตรีทําได้เลยเราสามารถเรียกเรียกทัศน์นี้เนี่ยวอกเป็นทัศน์ที่หลงเพราะอะไรเพราะมันขัดกับเอกฉันซึ่งอิจมาเอกฉันเนี่ยอุลมาหลยท่านได้รายงาน จากซาลาวุซอลเนี้ว่าการฟังดนตรีเนี่ยเป็นรื่องบาปถ้ามีใครบอกว่าไม่บาปทัศน์นั้ียนหลงแต่เราจะไม่เรียกว่าคนที่เห็นทัศน์นี้นนี่ว่าเป็นคนที่หลงทัศน์นั้ี่ทัศน์หลงในภาษาอังกฤษสำนวนนี้มันจะชัดกว่าภาษาไทยเราะภาษาไทยนี่เรามีแค่คำว่าหลงแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นการกระทําเนี่ยเราจะเรียกว่าบลาล่ะการกระทํำนี่เป็นบลาล่ะ เป็นการหลงแต่คนนิกระทำเนี่ยเขาจะมีนามของเขาเนี่ยเรียกว่าบอลอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเรียกจะเรียกเขาบอลเนี่ยเพราเขามีการกระทําที่หลงเพียงการกระทําเดียวเนี่ยเรียกการกระทําว่าหลงได้แต่จะเรียกบุคคลนิกระทําอันเป็นดลาราหนี่ว่าเขาเป็นคนหลงเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอุลามาดังมาก قيم ابن حزم أبو علي ابن حزم الظاهري من علماتك ما د و ا ت ه ا خ م ي م ذ ه ب خ و ل د ن م ر ج س ي مذهبنا مذهب ظاهري ابن حزم ي خ م ي ت س ن ع وفقط نطرية و ه ن ك و تسو كي أنا سيرمي دشوان علمك تأطروا ابن حزم تعنيه ي م ه ابن حزم หลงเป็นบอลท่านดังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มีเรื่องที่มีเอกฉันมีอิจมาไม่มีความขัดแย้งแต่บางเรื่องนี้มีความขัดแย้งอย่างเช่นเรื่องดังเรื่องมีอย่างเช่นอิมามมาลิกเนี่ยพูดถึงการละเล่นด้วยหมากรุกด้วยลูกเต๋า ว่าถูกถามว่าเล่นได้ไหมมักรุกมักรุกเล่นได้ไหมอิมามมาลิกบอกว่าฟ้ามาดะบาดะ لحق ิลล์ดบอัลอัะามจินนี่อาระโนะจากอลลัวการหลงหมายถึงว่าอิมามมาลิกเรียกเรียกการเล่นมักรุบนี่ว่าบอลลลมักรุกอย่างนี้นี่มักรุกนะจะได้เข้าใจตรงกันนะ เกับนี้เที่ยวกับหมากรุกก็คือหมาทัพวกเนี้ยทัวเนียเนี่ยอิมามมันี่คนนี้ถูกถามว่าเล่นไมไหมากรุกเนี้ยอเช่ภาาภาษาอาหรับอาหรับนี่เขาเขาทับศักดิ์จากเปอร์เซียเปอร์เซียเรียกว่าชิตรัจ์ชรัจ์อาหรับเขาไม่รู้หรอกหมากรุกนี่เาไม่รู้้วเขาเอามาจากอะไรทำเปอร์เซียเขาก็เรียกตามเขา เหมือนเราอะเล่นเกมกันไหมเล่นเกมใช่ไหมเราต้องไอเล่นเกมกันใช่ไหมรู้แล้วเกมีนภาษาอะไรสังกิตทําไมภาษาไทยไม่มีระเกมมีเกมมันภาษาไทยนี่เราก็ได้ทักทับมาเล่นเกมอาหรับตะกอนไปเล่นไปเจอมักครุกนี่เล่นเล่นมักครุกอะไรเนี่ยสตรองก็ถึงขั้นที่ อาลีนบิตอลิบเห็นเขาเล่นมักรุกอะไรเนี่ยไม่รู้สัฮาบไม่รู้ไม่รู้จักอะไรเนี่ยพะอาลีบนบิตอลิบย้ายเมืองหลวงคี์าฟนี่จากมดีนาย้ายไปกูฟาหนุนทีิรักอิรักนี่อยู่เปอร์เซียนะอะไรทําเปอร์เซียที่มันก็กว้างขวางคนก็เล่นมักรุกอาลีบเนบิตอลิบออกเงินี่อะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าชิดร้นจริงๆเขาบอกว่ามันเหมือนเจวิต มา هذه ا ل ้อศน้ำ ل ่ที่อันตุมเหล่ากิฟุลเพราะคนในหมกุนนี่มันก็เป็น ك ป ك นรูปปั้นทั้งนั้นใช่ไหมเป็นเป็นทิงเป็นอะไรพวกนี้พอหาคนได้ไปคุยสมาธิอาริเบนดูต่อยวอะไรเนี่ยเจวที่พวกเจ้ากาลังสักการะอยู่และยกเนี่ยมานอันมกฟ สาว่าไม่รู้จักอิมราฮิมเล็กนี่มองว่าหลงเป็นการหลงทั้งทั้งทีทศนราออนไลม์ส่วนมากนะครับบอกว่าบาปห้ามเล่นนะครับลูกหมาขอดแต่อิมรามชเวีมาซาบชเวีบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเล่นได้เล่นได้ ทำไมอ่าบอกว่ามันมันขัดเก่าสมองทำไม่ฉลาดมากขึ้นแต่มีเงื่อนไขเอกสาไในเงื่อนไขว่าห้ามเล่นกนารพนันถ้าเล่นกนารพนันีนเอกสารเรียกว่าบาปบาป ท, ทั้งหมดแต่ขครไม่มีปอะเรที่มีความขัดแย้ง น, นะ แต่อิมามมาเล็กนี่ก็ใช้คําว่าหลงแต่ไม่ได้ใช้กับบุคคลที่เพราะในนั้นอิมามชเวีนนี่ก็คือโดนแลหลงเลยเพราะถ้าท่านเห็นว่าหมากรุกนี่เล่นได้รุนระเรนิงในคนเล่นนะโอ้เปิดประตูคนเล่นนี่แสดงว่าดบ้านเนี่ยเป็นคนหลงแล้วป่าไม่มีใครเรียกว่าอิมามชเวีนนี่เป็นคนหลงเพราะมีทัศนะว่าหมากรุกนี่เล่นได้แต่เขาจะเรียกการกระทํำนี่ว่า เป็นการหลงนี่อันนี้ได้การแยกเรื่องนี้เนี่ยสำคัญนะอีกตัวอย่างนะครับการลเล่นเสียงทายทั้งหลายถึงแม้ว่าจะชนะอุลมร้าโซนมากเรื่องที่เป็นเสียงทายอย่างเช่นนี่ไพ่ไพ่เสียงไทยไหมเป็นการเสียงไทยไหมเสียงดีเวลาแจกไพ่รู้ไหมว่าที่เขาแจกมาให้นี่มันคืออะไรไม่รู้และแต่โชคดีไม่ดีใช่มะ อันนี้เสียงไายไหมเสียงไทยไหมมันต้องคว่ำก่อนใช่ไหมควม่ำแล้วก็แจกใช่ไหมเออใช่ไหมไอที่เขาแจกเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราได้อะไรเราได้ตัวเลขไม่รู้เสียงไายออันนี้เน่ชัดเจนเลย แ, และอันนี้เนี่ยมีฮะดีษที่บรรดุไปมามุสลิมมีสองสานวลมันไหลาบาเป็นนรดชิ อันนี้ก็เป็นชื่อของเปอร์เซียเขาเขาตั้งชื่อมาอาหรับกระท็บศัพท์สมัยนบีนี่ยังรู้เลยเพราะอันนี้เป็นของเล่นง่ายๆเล่นกันทุกเรื่องเลยเพราะมันเป็นเรื่องเสี่ยนไทยและอาหรับเรื่องเสี่ยนไทยเนี่ยเขาก็ชํานาญอยู่แล้วเขานิยมอยู่แล้วก็ถูกนํามาเล่นที่ประเทศอาหรับเมื่อก่อนหน้านั้นจนนบีรู้แล้วก็ถูกระบุในห a d i s และวนบีตรันมันเลี้ยบินนาร์ดชี พูดใดที่เล่น้ดยลุกตั้หูนับด้วยนลุกตูกเตนาหักมือยดห ي วในลิ้มช ن ้นซีรีนัวดมีเปรียบเสมือนได้เอามือของตัวเองเนี่ยไปสัมผัสกับเนื้น้สุกรเนื้อหมูนันเลือดของมันอันนี้เป็นสานวนหมายถึงว่าเท่ากับกำลังเตรียมจะกินจะกินเนื้อสุกรกำลังเตรียมตัวที่จะกินเนื้อกินเนื้อสุกรน่บา อุลมาก็ใ้ที่ความมแสดงว่าเล่นลูกเต๋าทุกเกมที่มีลูกเต๋าหรือความเสี่ยงทายนี่นะถือว่าบาปเพราะการสัมผัสในหมูก็ปาปอีกสมมุติว่่นมัลล่าเอเดบินนาร์ดีอันนี้อันนี้คือชื่อลูกเต๋าที่ใช้ในปัจจุบันมากที่สุดนาร์ดมันล่าเอเดบินนาร์ดีผู้ใดที่เล่นลูกเต๋า เพราะกระดาษสัมมาห์ละรสนะโดยแน่นอนแล้วถือว่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ละรสนะอันนี้สังนวชัดอาซออาซอฝ่าฝืนนี่ก็คือบาปตอนผมวัยรุ่นนี่เล่นเกมด้วยนะแต่พอรู้ฮาดีส์นี่เลยแล้วถ้ก่อนนู้นเล่นมีหลายเกมที่กขใช้นี่ แล้วก็ชอบด้วยหมารุ่นนี้ก็เล่นเล่ น, เ ล, นเล่นแบบเสียเวลาเยอะตอนั้รุ่นนะันอายุประมาณ ส, สิบสามสิบสี่ระดับอ่านตำรานะครับอ่านตำราเรียนดูสม ก, การนะั่นนะระดับนั้นเลยนะแต่พอรู้ว่ามันเป็นข้อห้ามก็เลยเลิกเม่เลย น, นี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในฉายา บลาละคนนี่จะเล่นเนี่ยได้ทําสิ่งที่มันเป็นบลาละหลวงอิมามมาเลกนิใช้คันนี้ที่เราเียนในมะได้บางเลฮักอิลลัตบลาไดการกระทําที่มันขัดกับหลักการศาสนาเรียกการกระทํานั้นม่นหลงได้มันเรียกมันเรียกได้เพราะมันหลงจริงๆคนกินเหล้าอย่างเงี้ยการกระทํานี่ทาให้หลงไม่หลง หลวงจริงด้วยคนกินเหล้านี่ไปบ้านถูกไหมเดี๋ยวคนกินเหล้านี่ต้องมีคนเดี๋ยวนี้มีแอปใหยอย้อล้นะแอปพากลับบ้านเออเที่ยวกันคืนแล้วนี่กินเหล้าเออเลยไม่รู้ใครเป็นใครนั่งแท็กซี่ก็ยังผิดเลยนะนั่งแท็กซี่ไม่เป็นมีแอปให้แล้วก็มีบริการร้านพวกนี้มีบริการคน พากลับบ้านให้เนี่ยเรียกว่าหลงไหมหลงสีหลงชัดเจนเลยการกระทำนี่เขาหลงแต่เราจะไม่สามารถเรียกเขาว่าเป็นคนเป็นคนหลงบอนไม่ได้ที around, ่ผมยกตัวอย่างทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้คุรานเรียนรู้หาดีสของท่านละียกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติของนักศึกษาของเเนี่ยให้เราได้เข้าใจว่า ฉายบอนคนหลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเรียกใครว่าหลงอแม่ก็ต้องคนที่ทําบิดายกตัวอย่างคนที่จัดเมาลิดเนี่ยบิดาบิดาแต่เราไม่เรีกว่าคนที่จัดบิดาเนี่ยเป็นบอลเป็นคนที่หลงไม่เรียกแบบนั้นเแล้วว่าไหนจะเรียกล่ะนี่สองอย่าง แค่ในเรื่องความเชื่อนี่นะถ้าหลักการความเชื่อหลายเรื่องจึงสามารถนี่กว่าคนนี้เนี่ยมีแนวทางบิดเบือนศาสนาเป็นเรื่องใหญ่เป็นแนวทางเนี่ยไม่ใช่เรื่องรายรายอย่างไม่ใช่แนวทางเนี่ยเป็นรายเป็นบางอย่างเขามีความเชื่อนหลงบางอย่างอันนี้แค่นเนี่ยแคได้กว่ากาันเฉพาะ ก, ากาันกระทําเนหลงแต่ตัวเขาเนี่ยไม่หลง แต่ถ้าหากว่าไอ้ไม่ชหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยไม่ใช่นี่มันเป็นแนวคิดนะมันเป็นอุดมการ์อย่างหนึ่งนะอย่างเช่นมเตซิล่มเตซิล่นี่เขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้ากุรอานละฮะนี่จมีอะไรขัดกับสติปัญญานีน่ะปฏิเสธไปก่อนรูปแบบการปฏิเสธนี่ก็มีหลายอย่าง ไอ้ที่ขัดกับสติบัญญาตินี่หนึ่งปฏิเสธไ้เลยนะโมเดอเลพวกนี้ปฏิเสธไปลแล้วก็ปฏิเสธบัย่างเนี่ฮัลลสนี่พอปฏิเสธได้แตุ่อ่านนี่จะปฏิเสธยังไงอ่ะตีความตีความไปลวอันนี้จะเป็นแนวทางแนวทางนี่ทาให้เขาเนี่ยไม่ได้หลงเื่งเนี่ยงเยอะเลยศีฟาของอัลลนี่นับไม่ท้วนอันนี้เนี่ยได้วหนงคนที่มีความเชื่อเหมือนมเเซลร์เนี่ยได้วหนง م س ح د ث صحيح ب خ ا ي مسلم ن ز ع ا و ا ل ا ن ل ได ح د ث ماي มี ل ا م ا ได ل ي เหล ة เหลครบ، ละหมาดสองวตสาตถือสินนนี่จะมาแก้บวชเนี่ยทไมไม่แก้บวชพร้อมกันจะมาแก้บวชอาซาบมะกีบนะอ๋อเราไมาละก็สมทูตอะไรรอเียเดี๋ยวไมรให้มันมืดก่อนนี่้งมนี่ก็มาจากมาจากอะไรมาจากหลักการของเขาเนีวเขาไม่เดาจากสุน่งทัทก็หนุงหลายเรื่องนับไม่ท้วนเลยเนี่ยเรืวันหนุ้มหลง เราสามารถบอกว่าคนดีเชื่อเหมือนมอร์เดเจอร์เป็นคนหลงคนดีเชื่อเหมือนความเชื่ออิสเนาอเชเรียเนี่ยอิมามอุสสงเนี่ยหลงอันนี้สามารถพูดได้เป็นหลักการแต่เป็นคนที่ดูช่องพวกนี้เนี่ยหลงกันั้งนั่นคนที่ดูช่องสีเทาสีขาวเนี่ยหลงนัน่นนัน่น หลงนั้นมันช่องก็มีความขัดแย้งกันด้วยนะว่าชอ่องนี้มันมีคนเดียวเนี่ยตัวตัวได้เนี่ยตัวหลงคนเดียวเนี่ยแล้วจะมีคนอื่นมาอยู่ในช่องนี่จะหลงได้วยไหมเขาก็ยังคุยกันอยู่ยังมุชาห์วาระกันอยู่เห็นไหมผมเนี่ยคนหลงตัวชาการเลยนะถ้าสมมติมีนะักชัการมาจากที่อื่นแล้ว ม, มาอยู่กับผมนี่มาทํางานด้วยกันใช่ไหมนี่ ย, งงนนยแต่เขาจะหลงด้วยไหมเขาจะถือว่าหลงด้วยอันนี้เขายังมูชาห์วาระกันอยู่ ล่ะเธอมาดูลกาลกาเป็นลกกีบ์ลกปฏิบัตลอะต่อมอะไรนี่มันมันพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้จกรายการจากทีุ่รอา่ทีุ่รอาีที่ชยละชมานาชอิสลาี์หึ และความเชื่อของใครงของอน์นมา์หรือใครของมซิหอาชัยรอดรือเปล่าแม้กระทั่งอาชัยรอดอชัยรอดเขาไม่มีหลักการหลักการใหญ่ที่ทาให้เขานี่หลงอชัยรอดนะนี่เขาอาจะมีความผิดก็เหมือนคนนี่แอตานซาลามี้ก็มีความผิดแล้วความเชื่อเขาก็มีความผิด ฉันอชาญานีไม่สามารถเีเขาว่าเป็นกลุ่มที่หลงไม่ได้เอ้าอชาก็เป็นอุส u n จัมมานี่เปิอชาญานีเป็นอุส n n มานนั่นเอาตามสนะุส n n คนีตามสุนนะไปถามชวโลกนี่เอาสุนนะนบีเอาสุนนะนเอาสิมนี่มามา มุสลิม al j ari, dear, was Muslim, a a lim, a lim, na, n หมายถึงมุสลิมทั่วโลกอุ้มคนไงถามอย่าชันเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมเอามุสล oh ิมทั ina, hai, ่วโลกเนี ara, ่ยเป็นพี่น้องกันไหเป็นีิเนี่ยคนที่เอาตามสุนนะนบีหมายถึงว่าถูกถามเมื่อไงไบุคอรีมุสลิมเอามเอาแล้วก็มุสลิมปทั่วโลกเนี่เป็นพี่น้องกันไหมเป็นนี่นะอะ์ลุซเจมอใครที่ใหทั่วโลกจะเป็นอาชโรจะเป็นซูฟีจะเป็นใครก็ตามนะถ้าเขามีความเชื่อแบบนี้ ตามสุนนะของท่นานรดีเอาสุนนะของท่นานดีและเอา穆斯林ทั้งหมดทั่วโลกเป็นที่น้น อ, อานุสุนนนตามชื่อเลยตามชื่อเลยแต่เขามีตีความซีฟา้าของอัลล์นี่ก็ก็ถือว่าเป็นความผิดส่วนหนึ่งซึ่งจะไม่มีใครที่บอกว่าเอาซุนนะนี ไ, ไม่ผิดผิดกันหมดเลย ทุกคนเล่มีความผิดความเชื่อก็มีความผิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีกลุ่มก้อนอุลามะกลุ่มหนึ่งที่ซาอุดีนะอุลามะกีบาร์ดูนะฮะดีสเนี่ยเขาจะเอาเฉพาะมุคอมมและมุสลิมตําราอื่นทีไม่เอาเลยอันนี้ในไทยในในในไทยงมสนับจริงๆในืีว่าหลง แต่ไม่มีใครกล้าบอกว่าเขาหลงนะเขามีเหตุผลเขามีเหตุผลเขาเขาบอกว่าสัยบุคลีและมุสลิมเนี่ยเอกฉชนในโลกมุสลิมมุสลิมทุกยุคทุกสมัยนี้เขายอมรับเรื่องบุคลีมุสลิมการที่จะไปเอาหะดีจาัตํารมะอื่นนี่มันมันมินเมเพราะต้องตรวจสอบสายรายงานว่าซอฮียหรือไม่ซอฮียแล้วคนที่จะมีความรู้เรื่องหะดีนี่ก็ไม่ใช่เยอะ มันก็ในเสี่ยงในการที่จะรับงั้นตักประเด็นไปเลยในอัลฮัจบุคารีนี่เพราะมันชัวร์ที่สุดเออดีผลเหตุผลนี่มันมันทางวิชาการเนี่ยคนทั่วไปนี่อาจจะฟังได้แต่ถ้านักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขฟังไม่ได้แต่ไม่มีใครเรียกว่าเขาหลงอุลามาดังมากในกะซาอูดีนะคนระดับอาจารย์ของอินดีเบิก็เคยเป็นมีความเชื่อแบบนี้ทิ้งจะบอกว่าการนิ่จะเรียกใครว่าหลงเนี่ย ต้องเ่อยกว่าต้องมีความเข้มข้นในเรื่องประเด็นที่เขาหลงถึงขนาดที่เรียกว่าเขานี่มีแนวทางที่บิดเบือนศาสนาที่เป็นที่เป็นแนวทางสม่ำเสมอสามารถทำให้เขาเนี่ยหลงหลายประเด็นไม่สิประเด็นเดียวแต่คนที่หลงประเด็นเดียวสองประเด็นสามประเด็นสิบเปอร์เซนประเด็ น, ะดนอะไม่ไม่ถือว่าหลงไม่ถือว่าคนที่หลง เอาละแตคนที้ทำไปได้นี่ยถ้าภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะเรู้ว่าฟีห์บาล่าเขามีบลาล่าอย่างหนึ่งเขาได้กระทําสิ่งที่มันหลงอย่างหนึ่งแต่เราจะไม่รูร้ว่าคนนึ่คนนี้หลงไปแล้วไม่ไม่พูดไม่ได้ทาําไมอ่ะเพราะฉายาว่าบอลคนหนึ่งคนใดนี่บอลหลงนี่นะมันเป็นฉายาใกล้เคียงกับฉายา กาเฟตคนนี้เนี่ยเป็นกาเฟตซึ่งฉายาที่มันจะสรุปสถานภาพของคนหนึ่งคนใดเช่นกาฟเฟตหรือฟาเซตหรืออนเนี่ยอลมาได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสำรวจสำรวจสภาพรวมของแต่ละคน และการสํารวจสภาพรวมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคนอาวามทั่วไปหรือแม้กต่ดังคนไม่มีความรู้เล็กน้อยใช่เป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่มีความรอบคอบมีความกว้างขวางและมีความสามารถในการตรวจสอบสภาพของแต่ละคนทำไมไยพระอุณามรมาระวังแต่คนทั่วไปนี่ระมะระวังไหมนี่ขนาดสวรรค์และนรกเนี่ย Allah ไม่ได้มอบฉลุดให้ใครให้ใครแจกเลยนะแต่ดูคนดิเฮ้ยนรกนี่อันนี้ชาวนรกแท้ๆเลยแจกสวรรค์แจกนรกกันใช่ไหมีอาวามคนละมาจึงบอกว่าแม้แต่เป็นเป็นสวรรค์และนรกเนี่ยเราจะไปฟันทวงว่าใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกนี่ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเรา อต่นี้เป็นเรื่องอาคิดได้เลยเรื่องเรื่องจะกล่าวหาว่าใครเป็นชาวสวอนเป็นชาวนรุนี่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่างแน่นอนอัลลอฮฺจึงบอกว่าสามารถะ بعد الحق อิّ ا الضلال ในประเด็นเกี่ยวกับว่ามีพระเจ้าจอมป้อมมีพระเจ้าพระเจ้าที่แท้จริงเราเราได้พิสูจน์ว่าพระเจ้าที่แท้ที่แท้จริงที่พวกเจ้ายอมรับนี่คือพระเจ้าที่ให้ริสกีให้การมองเห็นให้การได้ยินและบริหารโลก พวกเจ้ายอมรับแล้วนี่คือสัจธรรมหลังจากสัจธรรมนี้ไม่มีอะไรนอกจากการหลงผิดหลงดลล่ะแต่ทีด้อ่าน حديث ของนบีสุลต่านละอุสันละละละแล้วก็ต่อยอดว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้บอกนบีบอกว่ากุญูบิดาที่โดนแรกและทุกบิดานี่เป็นดนอะละนบีไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ทําบิดาเป็นบอลไม่มี เราไม่มีอัลลอท่านใดที่ต่อยอดฮะดีษนี้บอกว่าอะไรนะคนบิดาตินบาลัละทุกบิดาตินดาละลแสดงว่าทุกคนที่ทาบิดาเนี่ยเป็นบาลเป็นคนหลงคนหลงไม่มีใครพูดแบบนี้เลยลราอัลมาฮแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ยอมรับกันเลยเนี่ยอาจารย์คนนี้อาจารย์หุ่มเขาเนี่ยเป็นคนดีแต่เขามีบิดานึงนึงแต่เขาไม่เขาไม่ถึงขั้นที่จะถ่าวอาจารย์เขาเนี่ยหลง หรืออุลามารุ่นเดียวกันบางทีนี่ก็ขัดแย้งกันบางทีก็โตเถียงกันไม่ถึงขั้นหนที่เอาคนนี้ไม่เห็นด้วยกับฉันในเรื่องที่เขาเชื่อ ว, ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลงนะแต่เขาจะไม่ได้โออุลามาคนนี้เนีน่ยเป็นคนหลงอย่าไปฟังมันอย่าไปอ่านหนังสือตำราของมันอย่าไปขอฟะตัวจากมันไม่มีเลยแม้กระทั่งอุาลามาพวกอาชาอิรอซูฟีที่โต้เถียงกับอิมาอุนเตมียานะ เขถียงถึงขนาดที่บางคนมีฟัดตัวให้ผู้นำประเทศเนี่ยสังหารทหารชีวิตอิมาอุตเยเนียแต่พอแต่พอเปลี่ยนผู้ปกครองแล้วมีผู้ปกครองมีสุนตังเชื่อเบนกะลาวนเนี่ยเขาเชื่ออิมาอุตัยเนียมากกว่า แล้วมาบอกกันนี่ใจเน่บอกว่าเนี่ยอลณมาคนนี้คนนี้คนนี้ น, นี่เขาให้ฟัดตัวฉันเลยนะจะได้กระหารจะได้สังหารท่านนะท่านสั่งมาเลยออกฟัดตดวเลยเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกนี้ฉันจะแก้แค้นให้โดี๋ยวฉันจะประาณชีวิตพวกนี้หมดเพราะอลณมาชุดนี้เหมือนกันแม่นะที่เขาเคยเข้าข้างสุลตานีกคนหนึ่งที่มาทเ่นี่ไม่อยากให้ ความขัดแย้งระหว่างอุลมะแม้จะต้องอีนักอภิได้ในปกครองขัดแย้งอย่างตุเยกับอุลามาในรุ่นหนึ่งพวกอรชัยรัต น, น์ทั้นั้นไม่อยากให้ความขัดแย้งเรื่องศาสนาเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือของนักการปกครองเขาจะได้ม า, มาแก้แค้นกันไนะอ้หนอ่องเยอะก็เลยบอกว่าโอ้ผู้รู้พวกนี้เนี่ยเป็นคนดีนะท่านจะไม่พบคนดีเหมือนพวกนี้นะถ้าท่านไม่เอาพวกนี้แล้วเนี่ยท่านจะไม่มีคนเป็นที่ปรึกษาคนดี อาจารย์ละการีแล้วก็อุลามะที่เขาเคยโตเถียนแต่ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าฟัดกันเละเลยนะแต่เราจะบอกวต้องฟังเขาหน้าต้องปรึกษาเขานะเป็นอุลามะของอาณาจักรต้องต้องให้เกียรติเขานะระดับไหนระดับประชาอรนะปรชาอโรนะการที่เราได้เข้าใจกุรอานละ د ي ث ของท่านผศัทธาของัลล ให้มากขึ้นให้ลึกซึ้งจะทำให้ใจกว้างมากขึ้นเขาบอกว่าแม้ก็ตั้งนี้มาพี่อัมีนนี้ช่วงแรกตอนชีวิตตอนโตเถียงกับคนอื่นแล้วก็จะจะกล่าวแรงกับคนอื่นนะเขาก็บอกว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยบั้นปลายชีวิตในแม่พี่อุตัยมีถูกถามเกี่ยวกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มหลงหรือกลุ่มตกศาสนาได้ไหเขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่บังอาจไม่กล้าที่จะกล่าวหาว่าใครเนี่ยตกศาสนาหรือเป็นคนที่หลงข้าพเจ้าขอยึดตามหดีของท่านนบีซัลลัลลอฮมันอกละะบฮะตนะและ ص ل ا ลอลา ق ตินฟะฮวมุสลิมดีสนี่ว่าผู้ใดที่ ละหมาดเหมือนเราหันหน้าไปทางกิบลัดเดียวกันแล้วก็กินสัตว์เชื่อที่เราเชื่อให้กันและกันนี่นะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นมุสลิมซึ่งฮะดีสเนี่ยฮะดีสหมดนี้นะฮะดีสซอยนี่ยะเป็นฮะดีสที่เบสิกที่สุดทําไมเนี่เพราะยืนยันในฉายาที่สําคัญที่สุดอันเป็นฉายาพื้นฐาน ของผู้ศรัทธาก็คือมุสลิมมุสลิมเพียงพอและภูมิใจด้วยว่าเป็นมุสลิมแต่เรื่องอื่นนั่นนะไม่มีใครสามารถการันตีได้ท่านจะเป็นซุนนีจะเป็นสลลัฟฟีหรือจะเป็นอะไรนี่นะท่านเดียท่านเดแต่นี่มีใครสามารถการันตีท่านได้ท่านการันตีตัวเองหรือการันตีปักตั้งชื่อมัสยิดนี่ชื่อมัสยิด อะไรดิอารุสุนนะมั้ยและจะเป็นจริงไหมอันซารุสุนนะเพอตั้งตั้ป้ายใหญ่นะอันซารุสุนนะผู้สนับสนุนสุนนะนบีแล้วแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นจริงตามป้ายที่ขึ้นมัสยิดดารุลมุตตะตีนบ้านของมุตตะตีนอันแสดงว่าคนที่อยู่ในมัสยิดทั้งหมดนี่เป็นพวกมุตตะตีนทั้งนั้นนะมันจะเป็นเช่นนั้นโดยปริยายใช่ไหไมเลยมากกว่านั้นนะ ้าจารโทษท่ามีใครชื่อซาร่าเนยไหมาร่าเนยมีไหมว่าคนดีใช่ไม้มและจะเป็นเช่นนั้นโดยปริยายใช่ไมอมชื่อซอาร่าเนยมันแสดงว่าเป็นคนซอร่าเนนะไม่ไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่แต่มุสลิ ม, มนะมุสลิมเนี่ยเป็นพื้นฐานทาอะไราบา้างจะได้เป็นมุสลิมมีบูบานิลละหมาดอาบน้ําละหมาด กินศักเชื่อที่มุสลิมเขาเชื่อกันดำลการสอันนั้นมุสลิมและที่มากกว่านั้นน่ะคนที่รับอิสลามในสงครามกานดทำสงครามกัรนฟัดกันอยู่กันัฆ่ากันอยู่นะดาบดาบของศัตรูเนี่ยตกลงมาอุซามะอิบเนซัยเนี่ยอุซามะอิเนซัยจะฆ่าเขาเขาก็เลยบอกว่าเลาอิเลฮะอิลลัลลอฮ์อุซามะอิบซัยวลวะ เขาไม่ได้กล่าวละอิละฮิอิลลอฮฺด้วยความจริงใจแต่เขากล่าวเพราะกลัวกลัวดาบอุสาวะไม่ได้วินีจฉัยว่าไม่มีผลแลยไม่มีผลก็เลยสังหารอุสาวะไม่ได้คือเขาไม่ได้ฉัยแล้วน่ะแต่เหมือนใจเขานี่มันยังยังไม่ซ้อใจไปเล่าให้ท่านนบีสุลตานุสลฺล ไอ้พี่ในตอนกําลังสู้กําลังฟันกันอยู่เนี่ยไอ้นี่พอดาบของเขาเนี่ยมันมันก็บอกเลยละไอ้ละน้อยผมก็เลยไม่เช so ื่อผมก็เลยสังหารท่านนบีก็เลยถามอัครตลนดตะหูบาดะมก็เลยละไอละเจ้าไปฆ่าเขาหลังจากที่เขาได้แลิกเขาไรละข้าท่านนบีเขาเขาพูดเขากลัวดาเขากลัวตัวกลัวสงครามอย่างเดียวเขาไม่ได้จริงใจ นม th ีก no ็ย้ำอีกคาถามคาถามเดิมม th awesome. ัะก็เตอนเต้าบางแ่าเขาหลังนจะที่การอะไรๆมันลาให้ครับท่านนะอุซามะก็ยืนยันในข้ออันี้ใช้ของตัวเองในมีก็ถามมย้ำอย่างนี้ถามคาถามเดียวแล้วสุดท้ายนมีบอกว่าม่าได้จะทำยังไงถ้าอไรๆมาวันเกียร์มากับคนคนนี้ท่านจะไปตอกับอาม่าได้ไง แสดงว่าการเป็นมุสลิมที่จะคุ้มครองชีวิตของเขาเนี่เพียงเลออิลอห์อิลลัมแม้แต่ในสถานะการที่อาจจะสงสัยนะว่าเขาไม่ได้กล่าวด้วยความจริงใจแต่ในเมื่อเขากล่าวแล้วเนี่ยนะเชื่อไว้ก่อนว่าเขาเป็นมุสลิมเชื่อไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนพี่น้องมุสลิมของเราโดยเฉพาะมุสลิมเดินมา มุสลิมเดิ ม, ดมบางกลุ่มที่บางคนถ้าไม่ใมุสลิมเดิมแล้วก็มุสลิมมารับอิสลามที่หลังเลยนะเขาจะเรีกว่าเาช่นลูกสาวเขาไปแต่งงานแต่งงานกับคนไทยคนไทยเนี่ยในคํานิยามของมุสลิมเดิมนี่ก็หมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นผมเถูกถูกถามอะ เพาลูกสาวไปแต่งงานกับคนไทยหมายถึงมุสลิมใช่ไหมเขาเขาเป็นเขาเป็นคนไทยนะหมายถึงว่าเขาเขาเขามาเรียนศิลาต่างเขาเขาเป็นมุสลิมไงทําไมไม่เรียกว่ามุสลิมล่ะนี่เป็นเรื่องผิดมาร์เลยนะผิดมาันเลยนะใครที่ยังชายกับนี้เนี่ยให้พิจารณาตัวเองนะทำไมยังไม่เรียกว่าเขาเป็นมุสลิมอ่าถ้าทางสามจังหวัดนี้ก็จะมีอีก อีกชายหนึ่งอีกชายหนึ่งสี่แยี่แยใครๆรู้นะว่ามุสลิมเดิมนี่ก็ม่ใช่ว่าอเลมนะเขาก็มีค่านียมาเลยแปลกๆค่านีอยู่มาเลยคนที่รับอิสลามนี่เขาไม่รู้ว่ารับอิสลามนะเขาเรียกว่ามัสยาวีมัสยาวีนี่ก็คือคำเดียวของการทํำคตดาเหมือนกันเลยก็คือ ตัดสุนัขมือันก็นี่ยมันโซยาวีมันเกวยาวีนี่มันโตันมาโยาวีนี่เกวกิตันเ่ะรบาิยาวีเกะกัสนอสลามมายาวีฮะฮินดูก็มีะยาวียาวีนฮินดูก็มีอินโดนีเซียนะยาวีนะเกาะยาวหฮินดูก็ยังมีก็ยังมีทุกคนนี่ก็ยังเก่วยาวีมายูเ่วกัมายูเกวอกอิสลาม จะจะไปเหยียบแผ่นดินมาลายูได้ไหมเนี่ยสามจัือกว่ามายูเกยวกัอะไรกับอิสลามะมาเลเซียเนี่ยมีคุทธไหมมฮินดูก็มีไม่เกี่ยวมาลายูเนี่ยไม่ได้เป็นเชื้อชาติของอิสลามไม่มีอาหรับก็ไม่ใช่เชื้อชาติของอิสมทุกวันนี้เนี่ยอาหรับคริสต์เนี่ก็ยังอาหรับยิวเนี่ยก็ยังมีเลยไม่เกี่ยวอิสลามนมีเชื้อชาติเดียวความเชื่อ เชื้อชาติแห่งความเชื่อจะเป็นมาลายูจะเป็นจะเป็นไทยจะเป็นจีนจะเป็นอะไรก็ตามในเมื่อมีความเชื่อของอิสลามนั่นคือมุสลิมแล้วนี่คือสัญชาติสัญชาติของอิสลามนี่คือมุสลิมนี่ถ้ามีรัฐอาณาจักรอิสลามทั่วโลกนะจะไม่มีนะครับว่าสัญชาติเชื้อชาตินะไม่มีสัญชาติจะเขียนสัญชาติเดียวนี่มุสลิม ถ้าเป็นคนมาจากอเมริกาก็มุสลิมเหมือนกันจะไม่มีเชื่อชาติถ้าจะมีรักอิสลามนะจะไม่มีแบบนี้อ่ะฝากบิณฑบานครับอัสลัลลอฮุนะบิณฑ์นะมุฮัมมัดวะลาอีอัซาบีอุซาลฺมุันนะบะามุอะลัยฮุมุะละมะุลลอฮมีคถามไหมครับทีรับคืออะไรรส่งเสริมหรือเปล่ามีก็ามดีที่ไหนก็ได้เวกอะไรเกี่ยวก ศา ส, สนานี่ไม่ส่งเสริมให้ให้ขีลาให้คดีอันศา ส, สนานส่งเสริมให้เราได้ค้นหาความจริงจากตัวบทหลักฐานให้รอบคอบให้มากที่สุดให้ละเอียดที่สุดให้วินิจฉัยด้วยความรู้ที่รอบคอบแต่ถ้าวินิจฉัยแล้วปรากฏว่าความเห็นของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันศา ส, สนานี่มีอีกสเต็ปหนึ่งคือการ ให้พูดคุยกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้และหลักฐานให้ถึงจุดที่สามารถมีความเห็นพ้องกันแต่ถ้าเราสนทนากันแลกปรากฏว่าไม่มีผลที่จะให้มีความเห็นเหมือนกันยกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือให้มีมารยาทในความขัดแย้งคือการเคารพความเห็นซึ่งกันและกันแม้กระทั่งในความขัดแย้ง ขั้นสูงก็คือเรื่องอเรื่องของอากิดาแต่ไม่ใช่เรื่องหลักๆนะหมายถึงว่าเรื่องที่มันไม่ถึงขั้นที่ทําให้ตกศาสนาของอาคิดาหนะ่ะอย่างเช่นความขัดแย้งระหว่างอาชาโรกับซาลัฟเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการตีความคุณมรดส์ของเร า, าที่ก็เรื่องอากิดาแต่มันไม่มีเป็นความขาดาัดแย้งนี่ข้าขัดแย้ขั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องอะคิดา แต่จะไม่ทำให้ความขัดแย้งที่แตกต่างกันขนาดนี้เนี่ยทำให้เราต้องมองฝั่งตรงข้ามว่าเขาเป็นคนลากีิดาหรือคนและความเชื่อเขาก็ยังอยู่ในความเชื่อในเมื่อความเชื่อของเขาเนี่ยไม่ได้ขัดกับหลักการใหญ่ของาอาลกิดาสิ่งที่จะรับรองเรื่องนี้มารยาทของความแย่ออิสลามเนี่ยนี้เป็นอันนี้เป็ น, น, นเป็นแขนงความรู้เลยนะ มีตัวบทหลักฐามรองรับเรื่องนี้อย่างมากมายโดยเฉพาะหากที่สบบนเรืในบุคคลีที่ท่านละวีสุลลลลลาห์เลวุสเซลังได้บอกว่าผู้วินิจฉัยเร่นหนึ่งเรื่องใดและก็เรื่องที่ผลวินิจฉัยของเขาเนี่ยมันถูกต้องตามความจริงในข้อสุภาษณ์ในอวดาละเนี่ยเขาจะได้ผลละบุญส่งเขาแล้วคนที่วินิจฉัยแต่ว่าเมื่อผลวินิจฉัยของเขาเนี่ย มันไม่ตรงกับความถูกต้องแนมะ้อลาซูลอัลฮิวะตะละเขาจะได้ผลและบุญหนึ่งเทาง่าอุลามานเนี่ยบอกว่าฮะดีสนี่เนี่ยมีความชัดเจนมากเลยศา ส, สนาต้องการให้เรามองที่คนวินิจฉัยผิดนี่นะว่าเขาได้บุญเหมือนกันทําไมอ่ะเพราะส่วนมากเวลาใครเขาเคืองความคิดที่แตกต่างกับเขาอ่ะนะเขามองคนอื่นว่าผิดและสิ่งที่เขาผิดเนี่ยทําให้เขาบาปถ้าเขาบาปนี่ยเขาแย่ แล้วเรานี้เป็นฮีโร่ที่จะกําลังจะเซฟเขาจะช่วยเขาในี่ให้พ้นจากเราเป็นฮีโร่นะเราที่กำลังเราเรานาได้ถูกต้องเราสัจะทรมแล้วเรากําลังช่วยให้เขาออกจากการหลงผิดของเขาเนี่ยเรานี่ยจุดยอดนะนะไม่ใช่ในนะี้ ก, ก็ไม่ใช่ตัวเองเนะี่ยให้ดีใจว่าตัวเองไม่มีสองเท่าอันนั้นแท้ๆ ต, ตัวเองนี่ตรงจริงนะ แต่ถ้าสมมุติว่าคนอื่นเนี่ยเขาผิดนะคนอื่นก็ได้บุญเหมือนกันนะหมายถึงว่าเขาไม่เขาเป็นนักบุญเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่นักบาสนะอันนี้คือมรารยาทขั้สูงให้มองคนอื่นในแง่ดีไม่ใช่ในแง่ชั่วอันนี้มันก็จะลดทิฐิแต่ถ้าคนอื่นเขาเขามีผ ล, ลบุญเหมือนกันนะนะแสดงว่าเราไม่ต้องอย่าเยอะอะองอย่าเยอะ ก็มีบุญเหมือนกันคุณก็อย่าเยอะคุยกันก็คุยก็คุยกันได้คุยแลกเหรียนกันได้แต่เขาก็ยังมีบุญเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาเิดในการอะไรนะแตกแตกเสี่ยงแตกเสี่ยงนะแตกเสี่ยงนะแตกเสี่ยงอย่างี่ว่ามีอิทิคนใช่ไมแตกเสี่ยมาถึงแล้วนะคําศัพท์นี้ถึงแล้ว มาแล้วอ่ะคำสั่นี้ก็ใช้กันเมื่อ20ปีนู่นเขาเลิกใช้กันแล้วเนี่ยบ้านเราเพิ่งเพิ่งมาเน็ตมันช้าเนะี่ยบ้านเราตอนนี้า <c oughs> อืมเขาเลิกใช้กันแล้วแต่ซีดีมาต้องหมดเตือนไอ้คนนี้นี่มีความคิดควานมีความคิดหลงๆคนนี้เนี่ยไม่มีความคิดดีควานนะแต่ยังยังน่าสงสัยเพราะเขา พอพูดถึงอีกควาเนี่ยเขานิ่งเขาไม่เขาไม่ชัดเจนนี่เลยเราต้องเตือนนะอย่าไปฟังพวกนี้อย่าไปเชื่อพวกนี้อย่าไปขอฟะตัวอันนตาฮซีรอันนี้อธิบายพี่น้องหน่อยนะอันนี้อันนี้คําว่าตาฮซีรมบ้าเรามีจรงหัดบางกลุ่มนี้เริ่มใช้กันละมันเป็นสินค้านําเข้าที่ทําไม่คิดภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศซาอุดิอาระเบียโดยชฉพาะในกลุมมัดคัลีโดยเฉพาะนาเข้าตาฮซีร ถ้ามีใครที่อุลามะที่ไม่ต้องกเขานี่ยเขาต้องต่างหันี่พต้องต่างซีร์เขาจะไม่ใช่ภาษาไทยแล้เดี๋ยนี้ใช้คำนี่เลยครับสั์เลยเป็นที่รู้กันคนนี้ต้องต่างซีรแปลว่าอะไรอ่ะต้องเตือนอย่าให้เขาฟังอย่าให้ดูช่องนี้อย่าให้อย่าให้ไปฟังบัญญัติอย่าได้สนับสนุนเขาเรียกว่าต่างซีรพี่น้องเขถามว่าใครมีสิทธิต่างซีรใครมีสิทธิต่างซีรมีใครมีสิทธิต่างซีร์ทำไมอ่ะ ในหน้าที่สุดนะครับผมชอบพูดคานี้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกแสลงหน่อยเพราะไม่ได้เกิดมาเป็นควายทั้หมดมนุษย์ทั้งหมดในโลกไม่ได้เกิดมาเป็นควายและเราบางเอิ้ก็ไม่ได้มีจมูกเหมือนควายจมูกเหมือนควายนี่มันสามารถเอาเชือกสอดไปรูหนึ่งแล้วก็เอาออกมรูนึงแล้วก็ทานะแล้วก็จุง <c oughs> จงจงหน้าก็ระวังหน้าคนนี้อ่ยเนคนนี้จะฟังหนานี่ยคือสรุปแล้วเนี่ยคนเตะซีคนนีฟังคนนี้ฟังสรุปแล้วฟังใครยังไม่รู้เหรอคนน้ก็ฟังคนนู้นก็ไมัแล้วาแล้วท่นผมจะฟังใครอ่ะยังไม่รู้เลยเนี่ยท่านอยังเลียวอายงเลียว ประสรงซลาเีงั้นจริงเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีอุลามาอยู่ประมาณแปดคนเขาจะดาซีเลยเนี่ยฟังกุนน่ฟังกฟังกฟังนี่ขนาดที่หัวโจกนี่นะเขาบอกว่าความเป็นสลาีของเรานี่เนี่ยเข้มแข็งกว่าความเป็นสลาีของบิมบาสทำให้เวลามีความขัดแย้งระหว่างฟัตวช่บิมบสกับฟัตวของผู้นำกลุ่มนี้ เขาก็จะให้น้ำหนักกับฝาตัวของผู้นำองเขามากกว่าสรุปแล้วนี่ผู้พวกนี้เนะี่ยก็เลยฟังอุลามาแปดคนแค่นี้แต่คนนะั้นทานไม่พันมาในแปดคนเนี่ยเริ่มด่ากันละไอคนนี้ก็จะฮะซีร์คนนี้คนนี้ก็จะฮะซีร์คนนี้ตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณสองคนนี่คือคนหลักๆกนะั น, นนะคนสองคนน่ะและที่เหลือนี่ก็คือก็คือลูกหับลูกหับทรงผลกระทบ อะไรเละเอาแล้วก็เช็ค ก, กำลังด่าซีป้าเลยบอกว่าฟังผมไม่เคยด่าซีปนะฟังเลยไปฟังพวกมันเคยนี่ฟังให้เต็มที่ทําไมรู้ไหมเขาก็เป็นวัคซีนมันช่วยหายโง่ครับฟังกุ่มนี้เนี่ยจะช่วให้เราเนี่ยระบายความโง่ให้ฉลาดมากขึ้นมันไม่กลัวเลยนะไปฟังเขาเต็มที่เลยยิ่งฟังยิ่งรู้นะครับจําแนกระหว่างความจริงอ้าแล้วก็ไม่กลัวเดี๋ยวเขาจะไปตามเขาอ่ะ ถ้าตามเขานีเนี่ก็ดีแล้วนะฮะถ้าใครที่ไปฟังกลุ่มนู้นแล้วก็ไปตามเขาว่านั้นดีมากเลยนะี่แสดงว่านี่เป็นการคัดกรองคัดกรองออกไม่จากเราเนี่ยไปฟังกลุ่มนู้นนะ่ยแสดงว่าสมองอย่างพวกคุณนี่นะไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าอย่ามาอยู่ที่นี่เลยเป็นการคัดกรองโดยปริยายผมไม่ไม่แคร์เลยเรื่องเนี้ย Allah สร้างเรานี un, ่มันเป็นมนุษย์มีสมองในุอานี่พูดถึงเรื่องสมองแล้วจไปรนเอต่จะกเไลตบรอหม่มนะครับอย่าว่านังสือของอิควานนะอย่าว่านังสือานนังสือต้อนะอินีนบีนบ่าวฮัดิอันบันิอิสราเลวะลาะจอันเนตัร้อินี้ลอละกลาวลเดบนเลลาเ มูสนบีมด้อนมันซื้อตำราอิควาเตตำราของยหูนนาซาราอ่านได้ตำรายอหูนั่นซาราอนะอ่านได้ลได้อามบอกว่าอแล้วก็เรื่องบยนะกันบีกันบีรู้ว่ามุสลิมนีควายมุสลิมรมุสลิมจำแนกได้อามจึงบอกว่าเล่าเลยแต่เรื่อง สอดค้องกับกุณอานละฮะดิษเนี่ยเราเอามาเชื่อมาปฏิบัติเรื่องที่ขัดเลยนะเราเล่าแต่จะรู้ว่ามันขัดไหเราก็จะบอกว่ามันขัดนะมันเชื่อไม่ได้เนะแล้วแ็่เรื่องที่คุณอ่านละฮะดีษเนี่ยไม่ได้ไม่ไดปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ยืนยันอันนี้เนี่ยโอาบอกว่าเรื่องนี้เล่าได้แต่ไม่ต้องเชื่อแต่เล่าได้เนี่ยศาสนาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องปิดหูปิดตาปิดอะไรไม่ต้อง ฟังจากคนเดียวฟังจะไหมฟังหนังสือตำราใครเนี่ยเราอยากจะรู้หนังสือหนังสือเขาหนูเขาพูดอะไรเนี่ยไปอ่านเลยอยากจะรู้กลนี้เนี่ไปอ่านเลยอยากจะรู้คนคนนี้นะคนนี้เนไปอ่านเลยไปฟังกับเขาเลยท่านมีสมองว่านท่าผมมองว่าคุณเป็นมนุษย์นะมีหูมีตาเหมือนมนุษย์นะผมไม่ได้มองว่า ดูแต่ซีงโงโออนนรเนี่ยก็แสดงว่าอันนี้น่าสงสารนะจมูกมันโด่งแล้วก็มีเขานี่น่าสงสารเนี่ยต้องไม่ไ่ไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่่อย่าไปฟังแต่นี่ต่ซีต้องระวังไม่อยู่ในคอกอยู่ในคอกตัําไปที่ไหนขยายความที่การเสี่ยงทายหครับยกตัวอย่างเช่นกกรรมีการเส่งเช่นการเล่นุามีการโยนเหใครจะได้เ่อนอะไรเงี้ยนันเป็นการเสี่ยงทายเสี่ยงทายเพื่อทาในสิ่งที่เลือก ให้ทำสองคนในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยศาสนาไม่อนุญาตให้ทาเสี่ยงทายที่เป็นการเชิงละเล่นหรือเป็นการเป็นการถามทางชะตากรรมอันนี้เนที่ศาสนาห้ามนบีจะไปเดินทางแล้วก็จะพาภรรยาคนหนึ่งไปคนหนึ่งต้องไปคนเดียวแต่ละบีภรรยามากกว่าหนึ่งคนนบีก็จะก็จะจับฉลากทายาตงรับมรดก สามที่นี่นะสามที่เนี่ยแล้วจะมีพี่น้องสามคนทุกคนอยากได้แล้วก็สามที่นี่มันเท่ากันขนาดก็เท่ากันติดถนนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่คนนี้อยากได้คนนี้อีกคนมันก็อยากได้อันนี้ตัวนี้ขัดแย้งกันทํายังไงโอเลมก็จับฉลากอันนี้มันไม่เสียเพราะเพราะมันต้อทุกคนจนะต้องได้แปลงเดียวแต่สอคนอยากได้แปลงเดียวกันน่ะต้องทํายังไงอ่ะต้องจับฉลากแต่เสีย ال งการที่แบบเล่นน่ะ เล่นแบบอยากรู้ชะตากรรมเดินทางดีไหมหรือไม่เดินทางอจะแต่งงานคนนี้บางคนเนี่แม้แต่เพื่นเสี่ยงไทยโดยใช้คุฎอา่านทํำยังไงอ่ะแต่งงานหรือไม่แต่งงานดูลองดูเปิดคุฎอา่านคําแรกที่เจอนี่อ่า น, นแสดงว่าเอาเราเลือกได้อ้ท่านกี่ยวูท้องแต่งงานนี่ไง อีบางคนน่บางคนชอบทำอะไรแปลกๆแบบเนี้ยเดินทางในเมืองเปิดนี่เปิดฟะซีู่เขาฟิลอาร์บินี่ไงจงเดินทางบนหุ่นแผ่นดินนี่ไงแสดงว่าเดินทางได้ใช่อันนี้ก็เสียงทายมันเป็นไไม่ได้ครับเพราะว่าประเด็นที่กำลังเอยู่อย่างช่นทำนว่คุณสาาเข้าร่วมได้เย่าร่วมไม่ได้อยู่แล้ว เรากำลังพูดถึงเรื่องที่ไกลกว่านั of ้นการที <Yeah. S 1> right. so ่ยอมรับในกฎหมายก่อนที่การที่นิ่งเฉยเนี่ยนนิ่งเฉยให้กฎหมายนี่มันผ่านไปแล้วและไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้สร้างไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเลยแต่ด้หากว่าสโมสรของตัวเองได้ชนะทีมบอลได้ชนะอนี่โอ้โหนี่โพสรุ่นเลยเนี่เห็นไหมมีทีมของกูนี่เห็นไหมนี่แสดงความเห็นแต่พอคาร์ดินเงียบกริบเลย ไม่ใช่เรื ง, งกูช่างเสียงกูไม่มีไม่มีน้ำหนักนะแต่ที่เรื่องบอเนี่โอ้โหโโมีน้ำหนักเหลือเกินเนี่ยนี่ฉั น, นกำลังพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยทางมุสลิมไม่ออกไม่สแสดงออกนี่นะบุกต้องอย่างน้อยนต้องสแสดงออกต้องสแสดงออกแต่อีที่จะเข้ากระทรวงนี้อันนี้แน่นอนไม่ได้อยู่แล้วน่ากลัวนะอืเยาวชนแในอนาคตเนี่ยตกงานแล้วนะี่นะแต่เหมือนเดี๋ยวนี้ ร้านสะดวกซื้อเดีนี้เนี่ยเยาวชนทำงานกนนระเดนกระนาัเลยอีนันานทำตกงานทำยังไงเข้าทำงานร้านสะดวกซื้อขายเหล้าขายเบียร์ต้องขายไปขายไม่ได้สุดท้ายนี่ก็ต้องปีใหม่ก็ใส่เขาใส่เขาาให้ก็ใส่เขาแล้วก็สงการนี่ก็ใส่ชุดแบบนี้บังเอิญ ไม่ได้ท <laughs> อ้สุดอสุดดอกไม้อะไรเ <laughs> ออยิ่งกว่านี้ก็มีแต่คาสิโนนี่งานเยอะแต่งานเยอะเยา ว, วชนเนี่ยพอตกงานนี่แล้วมันไม่ต้องมีวุฒิไม่ต้องมีอะไรเลยแจกไพ่เป็นนี่ก็เข้าไปทํางานได้ละอืมเสริฟเหล้าเสบบริฟอะไรนี่เป็นนี่ก็ทํางานได้ละกล้ากลัวขอรอคุ้มครอง ที่ถ่ายทั้งหมดเลยนะครับไอพ่จากไปอันตรายนี่นะครับสลลหัอิะมุฮัมมัดวะลฮอัซลลัวะะมุรมต